มีคนไปสัมภาษณ์นักธุรกิจอันดับต้นๆคนหนึ่งของเมืองไทยนะแกทำด้านบ้านจัดสรร น, นะที่เราบ้านจัดสรรก็ไม่ถูกนะเรียกว่าเป็นอ่าเรียลเอสเตตก็แล้วกันนะเพราะว่าบ้านจัดสรรที่นีมันมันเก่าไปแล้วนะก็ร่ำรวยมากนะจากธุรกิจการก่อสร้างบ้านมีประโยคหนึ่งแกพูดน่าสนใจนะแกบอกว่าคนเราเนี่ย ถ้าสามารถแก้ปัญหาได้ห้สิเปอร์เซ็นเนี่ยก็ถือว่าดีมากแล้วแก้ปัญหาได้ห้สเปอร์็นหมายความว่าปัญหามีอยู่สิบปัญหาแก้ได้ห้าปัญหานี่ก็ถือว่าดีมากแล้วถือว่าเก่งแล้วถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะอันนี้มันเป็นคําที่ออกมาจากนักธุรกิจซึ่ง<ม>เขาก็ร่ารวยมากนะแต่เขาก็เพียงแค่แก้ปัญหาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นเขาก็พอใจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าคิดมาก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 เข้าใจผิดก็พยายามทำเขาก็จะให้ถูกซะชี้แจงแต่ว่าก็ต้องทําใจไว้ว่าการชี้แจงมันก็ทำได้แค่เท่านั้นถึงจุดเท่านั่นแหละจะให้คนเข้าจะเห็นดีด้วยหรือมาเปลี่ยนจากชังเป็นชอบนี้ทั้งหมดที่เป็นไปไม่ได้นอกจากความชังหรือว่ากรรมตาหนิติเตี่ยแล้วนะยังมีปัญหาหลายอย่างที่แก้ไม่ได้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 ถ้าทำความเพียรไปอีกสักยี่สิบครั้งสามสิบครั้งแล้วไม่ได้เนี่ยก็ค่อยค่อยคิดอีกทีแต่บางคนสอบใบขับขี่มาสามสิบครั้งห้าสิบครั้งก็ไม่ได้นะแปลว่าต้องยอมแพ้ไหมแปลว่าต้องทำใจไหมมีคุณป้าคุณถึงชาวเกาหลีนะแกไปสอบใบขับขี่มาแล้วเจ็ด้อยเจ็สิบห้าครั้งก็ยังไม่ได้เลยเป็นข่าวนะ เมื่อปี52ถามว่าแกเลิกหรือว่าแกไม่เลิกนะแกะก็สอบต่อไปเรื่อยๆนะสอบแทบทุกวันเลยวันเว้นวันวันเว้นวันในสุดได้นะในังจากที่แกสอบไปแล้ว950ครั้งนะล้วแค้เวลาสอบใบขับขี่แล้วไม่สอบไป700ครั้งไม่ได้แปรไม่ได้แปลว่าปัญหานี้แก้ไม่ได้นะปัญหานี้แก้ได้แต่ว่าต้องทําความเพียรให้มากกว่านี้นะคุณเป้านี่ก็ทําความเพียรไปเกือบพันครั้งถึงได้แสดงว่า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 บางอย่างก็ต้องปกป้องแบบคุณยายคนนี้แหละคุณป้าคนนี้แหละนะสอบไปเก้า้กว่าครั้งนะถึงถึงได้มานะก็ฝา้เป็นข้อคิดด้วยนะเตรียมรับพร